แนะนำบทอัลกอรมัตบทอัลกอรมัตเป็นบทมัตคีะมีห้าสิบห้าองค์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวถึงปฏิหารแห่งจักรวานนั่นคือปฏิหารการแยกดวงจันทร์ออกเป็นสองสีกซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปฏิหารของท่านนาบีสลตัลลอหอะลวะสัลลัมทันนี้เนื่องจากว่าพวกมุชริกีนได้ขอให้ท่านนำปฏิหารอันชัดแจ้งมาแสดงเพื่อเป็นการบ่งบอกชี้ถึงความจริงของท่าน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 พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเวน้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอารดสมุรและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิร์อัลและหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยะโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับวาดภาพให้เห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยให้เห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษ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 ت ت ว, วันกิยามาได้กล้าเข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้ ว, ว, วมมมและหาพวกเขาเห็นสัญญาณปาติหารพวกเขาก็ผิดหลังให้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 และโดแน่นอนได้มีข่าวคราวในอดีตมาอย่างพวกเขาแล้วซึ่งในนั้นก็มีข้อตักเตือนแก่พวกเข า, า, านนอัลกุรอานนี้เป็นวิทยาปัญญาอันลึกซึ้งแต่การตักเตือนนั้นไม่บังเกิดผลแก่พวกเขาดัง น, น, นั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผินหลังให้พวกเขา ในวันซึ่งผู้เรียกร้องอิสรอฟีนจะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่น่าสยองขวัญสายตาของพวกเขาจะลดต่ำลงขนาดที่พวกเขาออกจากสุสานเสมือนดังพวกเขาเป็นตะกั่วแตนที่บินว่นนอน Ā ā รีบวิ่งไปยังผู้เรียกร้องพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ลำบากยิ่งดกดด์ قبلهمقومنوحفك وعبدناوقالو مجنونو د ج ر ่อนหน้าพวกเขานั้นกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธพวกเขาได้ปฏิเสธบาวของเราโดยกล่าวว่าเขานัว เป็นนคบ้าและถูกขาจึงวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิธิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า ให้น้ำฝนเทลงมาอย่างนั้นและเราได้ทำให้แผ่นดินแยกออกเป็นตาน้ำดังนั้นน้ำฝนและตาน้ำได้มาบรรจบกันตามคำสั่งที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกติดด้วยตะปูนานา ม, มันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การคุ้มครองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธมันเรือได้ล่นกไปตอายใต้กา้เราเากิ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 แล้้้้้วมีีผูาบบงทรันนััขออตตกเืนนนพวกอาดได้ปฏิเสธดังนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้าง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 การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไรบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกส ม, มุตได้ปฏิเสธผู้ตักเตือนบว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 เขาเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติันหา่ า, มมาพรุ่งนี้พวกเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้มันญาติกันแน่แท้จริงเราส่งอูดตัวเมียตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา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 เขาได้จับมันค่าด้วยดาบอย่างทารุดังนั้นการลงโทษของข่าและการตักเตือนของค่าเป็นเช่นใดบ้างแท้จริงเราได้ส่งเสียงกรรมณ า, าศเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา และพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไมแ้แห้งๆและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำดลึกและมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นกลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธต่อการตักเตือน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 เป็นความโปรดปรานจากเราเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กตันอูและโดยแน่นอนเขาลูตได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเรา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 ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิมรสการลงโทษของข้าและการตักเตือนเถิดและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นและโดยแน่นอนได้มีข้อตักเตือนมายัางวงวานของฟิร์เราละโดยแน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 พลพรรคพวกนี้จะพ่ายแพ้และพวกเขาจะผินหลังวิ่งหนีแต่ว่าวันอวสานนั้นเป็นกำหนดเวลาการลงโทษของพวกเขาและวันอวสานนั้นทุกทรมานยิ่งและขมขื่นยิ่งกว่า แท้จริงบรรดาผู้มีความผิดนั้นจะอยู่ในการหลงทางและการเผาไหม้วันที่พวกเขาจะถูกลากคว่มหน้าลงสู่ไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสแห่งการาาเผาไหม้เถิดแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่วน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 และมีแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติณที่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ